ไดอารี่หมอดูหน้าที่57เดโดยหมอพีธันวาคมสนนองห้าห้าหนึาน่าสวัสดีครับสำหรับฉบับนี้ผมโจโจรับหน้าที่อ่านคอลัมน์ไดอารี่หมอดูให้ฟังนะครับ นั่นจากว่าผู้เขียนหรือมอพีเป็นสุภาพสตรีนะครับดังนั้นขอยาดเปลี่ยนคำลงท้ายจากค้าเป็นครับเพื่อความเหมาะสมในการอ่านนะครับใจฉันขอไปเจอพบเธอที่บนฝากฝาคร้านเราจะนอนลับไหลในอมแขนของดวงดาวให้เนาวราต ร, รีอบลอ้อมหัว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 ร้องกับดึงดูดความโชคดีอีกด้วยพี่เชื่อว่าน้องคนเนี้เริ่มมีความโชคดีในชีวิตได้ก็ตรงที่เริ่มเป็นผู้ให้นี่แหละการเริ่มต้นทาความดีเริ่มจัดการให้ได้ครับให้โดยไม่ต้องเสียสตังค์สักบาทแต่เปลี่ยนชีวิตเราให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นการให้โอกาสให้อภัยให้เวลาให้ความรู้ให้คนอื่นได้ดีสิ่งที่เราได้สิ่งแรกคือใจที่สบายครับ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 บทความโดยหมอพีจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่57เสียงอ่านโดยโจโช